เราก็ได้มาพักกัางคืนที่วัดโสภาหลวงที่นครเบงจันทร์วันนี้ก็มีหลวงพ่อมหาปานท่านเคยท่านก็เคยอาศัยแต่ท่านก็ลงรับจับคันไปหัวประมาณสี่สิบปีก็นานพอสมควรแต่คนในฝั่งไทยฝั่งลาวก็ยังนับถือท่านอยู่มากขึ้นนะเพราะว่าในอดีตท่านก็เคย อสอนธรรมะในฟั่งไทยแล้วก็ฟังราวเรียกว่าเป็นวิปัสสนาจารย์สองฝั่งโคงก็ว่าได้นะโดยเฉพาะเมืองเวียงจัด์แล้วก็เมืองหนองคายท่านก็สอนธรรมะแพร่หลายกันพอสมควร <c oughs> เมื่อราวปีสองพันสี่ร้อยก้าสิบเก้านะตอนนั้นหลวงพ่อเทียนท่านยังเป็นพ่อค้ า, าล่องเรือระวังดิม ในลำน้ำโคงอยู่อาจจะระหว่างเชียนคารมาสี่เชียงใหม่มาเวียงจันทร์หรือว่าบางทีก็ขึ้นไปหลวมก็บางบ้างเ mm hmm. มื่อปีนั้นหลวงพ่อเทียนท่านได้มีโอกาสารับหลวงพ่อมหาปานนั่งเรือไปด้วยไม่แน่ใจว่ารับจากที่ใดนะแต่ก็น่าจะมาส่งที่เวียงจันทร์หลวงพ่อเทียนเ่าบอกว่าคืนนั้นท่านได้สนทานาธรรมกับหลวงพ่อมหาปาน ทั้งคืนถามทุกเรื่องราวที่สงสัยหลวงพ่อมหาบาลก็ตอบคำถามหรือว่าอธิบายหลักธรรมให้แกหลวงพ่อเทียนทั้งคืนเรียกว่าทั้งสองคนคนหนึ่งเป็นคาราะาคนหนึ่งเป็นเป็นพระก็เรียกว่าสักถามสนทนาทมกันทั้งคืนหลวงพ่อเทียนก็รู้สึกถึงอะไรก็รู้สึก เศรัทธาแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรมนะตามที่หลวงพ่อมหาปานท่านแ น, นนะนํำแต่ก็เหมือนคล้ายๆเหมือนคนเหมือนนักคิดนักสงสัยสทั่วไปนะก็อยากจะได้คําตอบเร็วๆอยากจะได้คําตอบแบบครูบาอาจารย์ตอบให้เลยนะแล้วก็อาจจะบรรลุธรรมได้ทันทีหรือว่าอาจจะเกิดความเข้าใจได้ทันทีแต่หลวงพ่อมหาพานท่านสรุป สุดท้ายให้กับหลวงพ่อเทียนบอกว่าประมาณว่าถามเท่าไหร่คุยเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกต้องทำเอาเองคล้ายๆธรรมะจะมาถามจะมาคุยจะมาฟังมันไม่เข้าใจหรอกต้องเอาไปทำเองนะต้องทำเองหลวงพ่อเทียนท่านก็ได้บทสรุปตรงนี้ไว้ในใจเนะม 99, ื่อปีส4งพันสี่ร้อยกาสิบเก้า่าก็ลับมาที่บ้านก็นั่งคิดนอนคิดเมื่อใ่จะได้มีโอกาสออกไป นะทำวิปัสนาตามแนวทางหลวงพ่อมหากาสสศฐีเพราะว่าการของเพศราวาสี่สนะิบกว่าปีน้ะมันก็คงเรียกว่ารู้สุขรู้ทุกข์ในเพศคารวานะเคยมีเคยได้เคยเสียเคยเป็นอะไรต่างๆก็พอสมควรก็เห็นโทษเห็นภัยในเพศคารวาสอยากจะออกจากเพศบ้างหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าความสุขที่ตัวเองมีนะจากการเป็นพ่อค้าเป็นเศรษฐี มีเงินมีทองมีลูกมีเมีย ม, ม, มีหลายอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้สุขจริงมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็คงพอจะเห็นภัยต้งนั้นก็เริ่มคิดถึงการภาวนาแต่แต่ก่อนอาจจะเคยทำสมถะกรรมาฐานมาบ้างพอสมควรเมื่อหลวงพ่อมหาปานท่านน่าจะเป็นคนจุดประกายในเรื่องของปรัชนาให้กับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจตั้งใจไว้พอพรมเมื่อไหนก็จะออกไป จนทั้งปี 2,500 เนี่ยแหละซึ่งพวกเราอาจจะเคยฟังกันอยู่แล้ว เ, เมื่อท่านโกรธศีกาหรือว่าโกรธภรรยาของท่านเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญเขากลับมาเห็นว่าเออมันก็น่าจะสมควรน่าจะถึงเวลาได้แล้ว เ, เราทำบุญทำทา น, นมาพอสมควรรักษาติณก็พอสมควรแต่ความโกรธมันยังมีอยู่ในใจของเรา เราจะทําวิธีไหนนอกความโกรธที่ออกไปจากใจเราได้นะท่านก็เรียกว่าเหมือนตัดสินใจฉับพลันเมื่อเห็นความโกรธรูรว่มโกรธในใจแล้วก็ยังละไม่ได้ยังเรียกว่าเก็บมันนอนคิดข้ามวันข้ามคืนอยู่นะยังเป็นปัญหาหนักอกหนักใจในใจิตท่านอยู่ท่านก็ตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าเออออกออกได้แล้วนะออกจากเพศราว่าดออกจากเรือนได้แล้วออกมาภาวนาได้แล้วนะ ท่า น, นก็ได้เดินทางมาที่นี่ที่พวกเราได้ไปเมื่อวานเนาะวัดลังศรีมุกดารามที่อำเภอศรีเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะ่นท่านก็ไปภาวนาที่นั่นแหละคิดว่าหลวงพ่อมหาปางจะอยู่ที่นั่นแต่หลวงพ่อมหาปานก็มาสอนธรรมอยู่ที่เวียงจันก็มีหลวงพ่อศรีจันทร์อาศัยพักอยู่ที่นั่นเป็นครูสอนกรรมฐานอยู่แต่ก็รู้สึกว่าท่านก็ อาจจะสอนหลายวิธีนะอาจจะไม่สอนยกมือตั้งจังหวะโดยตรงเห็นหลวงพ่อเทียนเล่าหลวงพ่อมหาปานก็สอนให้บริกรรมตายตายตายประมาณนั้นก็ให้บริกรรมได้วรู้ถึงหลวงพ่อสี่จันทนะสอนให้รึกถึงคําบริกรรมตรงนั้น mm hmm. แต่รูปแบบการยกมืออาจจะเคยได้เรียนหรือว่าเคยเห็นหลวงพ่อมหาปานสอนอยู่มั้งหลวงพ่อเทียนก็เลยเอามาฝึกหัด กระทำกันเองเพราะว่าท่านก็ระลึกว่าเออที่จริงเราก็เคยฝึกขัดมาหลายวิธีวิธีที่เป็นบริกรรมคําพูดก็ทํามาพอสมควรแล้วไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบริกรรมละนะจะมาอ่าให้บริกรรมตายอีกก็ไม่อยากเอานะแต่พอถ้าให้ยกมือเคลื่อนไหวให้โดยจะกลมก็อาจจะพอได้นะทํำใหม่ๆก็มีการบริกรรมมีการกําหนดบ้างแต่พอทําไประดับรู้สึกว่า การกำหนดการบริกรรมมันเป็นภาระทางใจนะเป็นภาระทางใจแค่รู้สึกตัวเฉยเฉยรู้สึกซื่อลงไปน่าจะง่ายกว่านะมันก็เกิดผลเพราะว่าอะไรบางทีการกำหนดมากเกินไปจิตมันกลายเป็นสมาธินะมันอยู่แต่คำที่กาหนดมันอยู่แต่การรู้ที่ภายในน่ะแต่มันไม่ไปรู้รอบรู้ตัวสมหมดนะ เมนเป็นสมาธิมากเกินไปแต่พ อ, เ, อเลิกกำหนดจิตมันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในไม่เพ่งนอกไม่เพ่งในรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจรู้ทั้งสิ่งภายนอกที่กระทบสัมผัสไม่เป็นความพอดีที่เกิดขึ้นจากการรู้สึกตัวซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากนะเราก็ต้องรู้อย่างพอดีไม่เพง่งไม่เพ่งเข้าในนะไม่ใช่ไปห้ามความคิด ห้ามอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แนวทางแต่พอเมื่อความคิดเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอันนั้นแหละคือวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นพอเราเห็นตอนนี้อ๋อวิปัสสนาญาณตอนนี้มันก็จะเกิดการแยกได้ว่ารูปกับนามมันมีการที่แยกกันอยู่อย่างไรรูกรูปมันเคลื่อนไหว มันทำอะไรมันสุขมันทุกข์มันก็เป็นเรื่องของรูปนะเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปมันปวดมันเมื่อยเห็นรูปมันทุกข์เห็นรูปมันไม่ทุกข์ก็ดูตอนนั้นไปโดยนามมีหน้าที่เป็นเพียงผู้เห็นเห็นอาการของรูปที่มันเป็นไปโดยใจไม่ได้เข้าไปยึดติดกับรูปนั้นคล้ายๆเหมือนกับรูปเป็นความรู้สึกนะมันเป็นแค่ความรู้สึกเพราะว่าอะไร มันคล้ายๆมันเห็นรูปนั้นเป็นคนแปลกหน้าแต่ก่อนเราก็คิดว่ารูปนี้ก็คือรูปของเราน่ะกายนี้คือกายของเราน่ะไม่ใช่กายคนแปลกหน้าที่ไหนเพราะมันเป็นของเราเวลาปวดเมื่อยสุขทุกข์มันก็เปลี่ยนมีตัวเราเข้าไปปวดเมื่อยสุขทุกข์นะเข้าไปสวยไปหล่อไปดีไปไม่ดีแล้วก็มีความรู้สึกเช่นนั้นแต่เมื่อมีความรู้สึกตัวอย่างแท้จริงจะเห็นว่ากายก็ถต่ว่ากาย กายมันก็อยู่ส่วนมันมันก็เปลี่ยนแปลงทำงานของมันไปเช่นนั้นกายไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่กายมันเปลี่ยนแค่สภาวะที่เกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันเท่านั้นอาศัยกายนี้เพื่อดำรงธาตขันแล้วก็มาเรียนรู้การทำงานของกายก็ดูการเป็นไปของกายอย่างที่มันเป็นจริงๆก็เห็นสักจว่าเออกายมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าใจไม่เข้าไปปรุงไปแต่งไปเอาด้วย มันก็เป็นเรื่องแต่ศักสักแต่ว่ากายเท่านั้นแต่บางทีโทษทุกข์มันเกิดจากการที่รู้ไม่เท่าทันนี่แหละใจก็เลยไปปรุงไปแต่งนะให้กายมันสุขบ้างให้กายมันทุกข์บ้างให้กายมันเรียกว่าไปเสพสิ่งที่ไม่ดีบ้างนะไปทําตามความอยากบ้างหลนะพอเทียนท่านก็เห็นนะโอ้เห็นเลยว่ า, มาแมลงป่องตกใส่นะตกใส่รูป แต่ถ้าใจไม่โกรธใจไม่กลัวนะมันก็ไม่ไปทำร้ายมาแมลงป่องนะกายก็อยู่ส่วนมันรูปรูปของท่านก็ส่วนหนึ่งรูปของมแมลงป่องก็เหมือนกันรูปกับรูปถ้ามันไม่มีนามมาทามาทำร้ายซึ่งกันและกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันรูปก็อยู่แต่สแต่ว่ารูปอาจจะคล้ายคล้ก้อนหิน กับต้นหญ้าเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันมันก็อาศัยกันเฉยๆไม่มีใครไม่มีคนไหนมาสั่งให้มันทําร้ายกันมันก็ทําไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันรูปที่มันสัมพันธ์กันกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็เช่นเดียวกันมันก็ศัพทแต่ว่ารูปตรงนั้นแต่ถ้ามีนามมาสั่งมาบงการให้กระทําทําดีมันก็ดีต่อกันทําชั่วมันก็ชั่วต่อกันเพราะมันเขียนตรงนี้เห็นสภาว่าที่เรียกว่า สภาวะรูปมันขึ้นอยู่กับนามนามมันจะสั่งการอย่างไรมันจะบง ก, การเช่นไรจะสุขจะทุกข์จะยึดจะไม่ยึดจะดีจะไม่ ด, มดีก็เพราะว่านามนี่แหละมันมีนามนี่แหละซึ่งมาคอยบงการสั่งการหรือว่าทําร้ายรูปให้เป็นเช่นนั้นพอมาเห็นตอนนี้มันก็อ๋อเข้าใจแล้วศัพเขามันก็เห็นเริ่มเห็นกายถ้าจะว่ากายนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเขากายก็เป็นเพียงแค่อาการที่ เกิดขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญนะมันย้อนกลับมาเห็นความคิดเห็นจิตใจด้วยโอ้อมันไม่ได้เห็นแค่กายแล้วก็สักแต่ว่ากายแต่มันย้อนกลับมาเห็นความคิดเห็นจิตใจรู้ว่านะใจนี่แหละคือต้นเรื่องของทุกอย่างนะใจเป็นต้นตอของทุกอย่างนะเหมือนเราเดี๋ยวที่เราเคยสวยดมโนโ บ, บุพพังเข้ามาทํามามโนเสกฐานมโนโมยาทําทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเสร็สุดสําเร็จแล้วที่ใจนะทุกอย่างสําคัญแล้วมารวมลงที่ใจเพราะอะไรกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่รูปนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงนะความยึดความถือความอยากมันอยู่ที่ใจอันนั้นต้นต่อคือการกลับมาเห็นใจเห็นความคิดนะเห็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นรู้เลยว่าใจที่ปกติมันไม่เป็นอะไร แต่ใจที่โดนความคิดปรุงแต่งนี่แหละมันคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์มันกลับมาย้อนเหตุตรง น, น, นี้เมื่อเรามีสติรู้สึกตัวนาจากการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันสามารถแยกรูปแยกนามได้สติมันก็จะก็ย้อนกลับมาเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งเมื่อรู้ทันอาการของความคิดอาการปรุงแต่งแล้วความคิดมันก็ดนตกไปตกไปต่หน้าต่ตานาเหมือนคล้ายๆโจรที่โดนตํารวจจับได้ เมื่อจับได้มันเห็นความผิดคลาดางค่าเขามันก็ย่อมสารภาพเพราะว่ามันผิดคลางค่าเขาเช่นนั้นนีอันนี้ก็เหมือนกันความคิดที่โดยสติจับได้รู้ทันมันก็ต้องตกไปทันทีนะความรู้สึกใดเกิดขึ้นเมื่อมีสติรู้ทันมันก็ต้องมาลายหายไปทันทีเพราะว่าอะไรอานาจของสติมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าความคิดมันเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้น ก็มีสติรู้สึกตัวอยู่นะแต่ทำไมไม่ไม่หายที่จริงมันไม่หายเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งกําลังสติเราไม่พออีกส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้เห็นมันอย่างรึกซึ้งอย่างแท้จริงไม่ได้เห็นอย่างสภาวะที่เรียกว่าใจเป็นกลางใจตั้งมั่นอย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรบางทีมันยังเจือด้วยความอยากจะให้มันหายหรือบางอย่างที่มันดีก็อยากจะให้มันอยู่ต่อไปมันจะมีอาการของตันหาที่เจือเข้าไปในตัวความรู้ตรงนั้น มันยังไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิไม่ใช่ความรู้ที่เรียกว่าซื่อหรือว่าตั้งมั่นอย่างแท้จริงมันยังมีความอยากเข้าไปเจริญเพราะเราต้องรู้ทันถ้ารู้ซื่ออย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่บวกไม่ลบไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับัพพการที่เห็นนะจะเป็นอาการของรูปก็ตามอาการของนามก็ตามมันก็เห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นนะกายเป็นเช่นไรก็เห็นเช่นนั้นรูปเป็นเช่นใด ก็เห็นเช่นเออนามไปเช่นไรก็เห็นเช่นนั้นไม่ได้ไปเข้าไปบวกลบสุดทุกข์กับอาการตรงนั้นนะี่อันนี้คือสภาวะที่ลำดับลำนำในการภาวนาในแนวทางวิปัสสนามันก็จะเริ่มเห็นเรื่องเข้าใจแยกรูปแยกนามได้ก็เห็นเรื่อยไปนะถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามก็ดีถึง อ, อ, อาการของจิตที่มันละเอียดขึ้นไปเรื่อยนะี่ เข้าใจความจริงอะไรเป็นสมมุติอะไรจะอะไรเป็นความจริงแท้นะเข้าใจถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนะเข้าใจความเป็นคนความเป็นพระนะมันอยู่ที่ไหนนะเข้าใจาก็รู้แล้วก็ละสิ่ ง, งต่างๆพวกนี้ได้อันนี้มันเป็นแต่เรื่องของลำดับลำนาของขั้นตอนนะบางทีก็แต่ละคนแต่ละครูบาอาจารย์ก็อาจจะพูด ในข้อสมมติที่เป็นภาษาแตกต่างกันไปแต่โดยสภาวะจิตใจแล้วก็เนี่ยก็คือความเข้าใจความเข้าใจความจริงของรูปแล้วของน้ํำนี่แหละเนะมื่อเราภาวนารูปแบบในวิธีใดก็ได้แต่เราต้องเกิดความเข้าใจในในแนวทางนี้เช่นเดียวกันนะแต่รูปแบบการภาวนาแบบเจริุสติแบบขึ้ื่อนหวหรือจะดูลมหายใจหรือจะดูเวทนาดูอะไรก็ได้แต่ มันก็ต้องดูให้ครบให้หมดทุท่วนถึงรูปถึงนามนั่นแหละนะดูแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในะรูปในนามนั้นอันนี้แหละก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนะข้าพวกเราก็ให้ได้มีโอกาสเดินทางไกลร่วมกันได้ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ในหลายทินหลายสถานเนะาะทั้งที่ท่านมรณาภาพ ไปหลายองค์แล้วเช่นหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทศหลวงปู่เหรียญมาถึงตรงนี้ก็หลวงพอมหาปานนะก็ได้ระลึกถึงสถานที่ที่ท่านเคยอยู่เคยสอนก็เป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์วิยบูชานะถือวเป็นการพวกเราได้เดินทางมาก็เพื่อภาวนานะสวดมนรรมต์ทำวัดปฏิบัตนะิเดินแล้วก็มีสติคนะือเป็นอาจารย์วิยบูชาครูบาอาจารย์ต่างๆนะ ที่เป็นอริยสงฆ์ที่ท่านสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อกันมาแต่ก่อนนะเคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่เราเกิดไม่ทันครูบาอาจารย์นะเคยไปภาวนากับสายสวนโมก็เออไปไม่ทันหลวงพ่อพุทธทาสมาภาวนาแบบหลวงพ่อเทียนก็ไม่ทันหลวงพ่อเทียนนะสนใจแนวทางนงปูชาไปอยู่ในสายวัด ใส่หลวงปูชาบ้างก็ไม่ทันองค์ลงปูชาเราก็รู้สึกเอเรามีบุญมีวัฒนาน้อยหรือเปล่าไม่ทันครูบ า, าอาจารย์รุ่นใหญ่ๆรุ่นที่เด่นๆ ด, ดั ง, ดงๆรุ่นที่ดีแต่จริงเราได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ในตอนนี้ก็ยังถือว่าดีแล้วแม้ไม่ทันครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่แต่ที่จริงก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดต่อกันมาในแนวคําสอนแต่วิธีการใดก็แล้วแต่ นะตัวคําสอนของครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่ทุศีตทุขาที่ภาวน า, ท, า, วนาที่ปฏิบัติแล้วได้ผลก็ยังอยู่นะแต่สิ่งที่สําคัญเราจะเอาแค่ได้เห็นได้ฟังคาารูบาอาจารย์มันก็ย่ำไม่พอแต่สิ่งที่สําคัญเราจะทําอย่างไรล่ะเราถึงจะน้อมเข้ามาแตกตนให้ได้เน้อเป็นการปฏิบัติฝึกหัดตนครูบาอาจารย์ที่ไหนท่า น, นก็ดีของท่านนะ แต่เราดีหรือเปล่าะแล้วต้องแก้ที่ตัวเราจะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่ไหนแห่ตามกันไปก็ไม่ได้มรรผลนิพพานเพราะการกราบไหว้หรือไม่ต่การฟังธรรมก็ไม่ง่ายเหมืมอนส ม, มัยพุทธกาลนะที่จะฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมทันทีนะมันคงไม่คิกในใจได้ง่ายขนาดนั้นนอกจากเรามีบารมีมีความพร้อมมีอินทรีย์ที่แก่กล้าแล้วนะการได้สนทนาธรร ม, มการได้ฟังธรร ม, มก็ สามารถเป็นการเดินทางกิตนะแล้วก็สามารถเข้าถึงเข้าถึงปัญญาได้อันนั้นก็เป็นอีกแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องสะสมบารมีบารมีไม่ใช่เป็นการเรียกว่าบารมีภายนอกนะมีบริวารมีชื่อเสียงเยอเยอะไม่ใช่แต่บารมีคือบารมีภายในคือคุณธรรมภายในนี่แหละขันติบารมีวิทยะบารมีปัญญาบารมีอะไรต่างๆนะก็คือมี อินทรีย์แก่กล้ามีพระแก่กล้านะมีสตินะรอบเนะี่ยอันนี้คือบารมีที่แท้จริงนะเราต้องสะสมองค์งความรู้องค์บารมีตัวนี้นะแต่ไม่ใช่เป็นบารมีที่คนทั่วไปภายนอกเขาเขาเขาใช้กันหรือภาษาไทยที่ใช้กันว่าบารมีก็เหมือนมีบริวารมีทรัพย์สินเงินทองมีความสุขความสบายไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เราสะสมบารมีที่เป็น อินทรีย์เป็นพระละเพื่อนําพาขึ่นความบุญพ้นอันนี้คือบารมีที่แท้จริงนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราตรงนี้แหละนะจะอยู่กับครูบาอาจารย์หรือไม่นะ่ได้ใกล้คิดหรือเปล่าก็าไม่เป็นไรแต่เราเอาคําสั่งสอนตรงนี้แหละที่พระพิจารณาฝากเราไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็สืบทอดมรดกตรงนี้ไว้เราขอเป็นส่วนหนึ่งแหละที่จะสืบทอดมรดกธรรมตัวนี้ต่อไปนะอยไปรอ จะไปรอใครนะเอาตัวเรานี่แหละเป็นตัวที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานเราอย่ามาคิดว่าเราจะต้องพึ่งศาสนาพึ่งครูบาอาจารย์แต่ท่าเดียวเราต้องเป็นคนหนึ่งแหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นบ้างเป็นคนหนึ่งแหละที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาบ้างสืบทอดไม่ใช่เพียงแค่การทำภายนอกนะ ในรูปแบบเป็นภาพเป็นชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่จะทำยังไงให้ใจเราเข้าถึงสภาวะความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงเข้าถึงความเป็นสงฆ์อย่างแท้จริงนะแต่รูปแบบภายนอกเป็นยางไรไม่สำคัญแต่จะทำยังไงให้ใจเราถึงสภาวะตรงนั้นให้ได้เพื่อเราจะได้เป็นคนหนึ่งแหละที่จะสืบทอดตพุทธศาสานาให้อยู่ต่อไปนะแล้วก็เผยแพร่คาสอนที่ดีงามตัวนี้ให้สืบต่อไป ถึงจะเป็นการเดินตามรอยครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงนะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เดินตามรอยพระอริยสงฆ์อันนี้ถึงจะเป็นการเดินตามรอยท่านอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การจาริกไปสถานที่ที่ท่านเคยอยู่เคยอาศัยหรือชื่นชมกราบไหว้ท่านนะแต่คือเราจะทำอย่างไรใจเราถึงจะเดินตามรอยธรรมรอยพระอริยสงฆ์เราต่างๆเหล่านี้ได้เนาะ ก็ขอให้พวกเราได้ภาคเพียรเรียนรู้ในการดูกายดูใจฝึกหัดฝึกฝนตนเองอย่างทั้งเข้าถึงสภาวะจิตใจที่เหนือการเกิยแก่เจ็บตายเหนือความทุกขนะ์ทางกายทางใจให้ได้ทุกคนทุกท่านโดยเธอ